เรากำ ล, ลังเป็นวัดทำกันการปื่สติเหมือนกับ ก, การเริ่มต้นการเริ่มต้นโดยการเดินทางต้อการขึ้นรถถูกคัน ไม่ต้องเสี่ยงสามารถเลือกได้ขึ้นคันไหนรถเล็กรถใหญ่พอหนึ่งพอสองพอสามเราเลือกได้มันมีหลายบริษัทเปรียบเหมือนกับ ดูกายดูอาดูจิตดูธรรมแต่ว่าจะเลือกรูปแบบปฏิบัติแบบไหนมีหลายรูปแบบมากคุณ่ะดูกายจะดูดมหายใจเราท้องพองยุบดูการเคลื่อนการไหวแต่ละจังหวะดต่อเลือกถูก ูแบบมันก็ตรงไปตรงมาแล้วรับสันส้นๆรวดเร็วทันใจมาอยู่วัดป่าสุตตอเราก็เลือกแนวเคลื่อนไหวการไปทำแบบแนวเคลื่อนไหวหลวงพู่เทียนจิตเตาโพในการยกม้ยกมือทอการเดินจงกรม กระทบรู้กระทบรู้กระทบรู้แต่ละจังหวะการฝึกการหาทา้ไยเกิดประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้คือสามารถที่จะพัฒนาจิตจิตตภาวนาเดินทางทุกรดลงเกิดประสบการณ์ในการเดินทางจังนานมากขึ้นนะเกิดเทคนิคปฏิบัติผานอารมณ์ได้ง่ายๆ เท่ารู้ต่างความคิดโดยความคิดเป็นเห็นความคิดได้ชัดคิดก็ชัดฟังก็ชัดทาก็ชัดในสิ่งที่เรียกว่าภาวนากับพัฒนาไปด้วยกันตัวสติมันเป็นหลายอย่างตัวหลายอย่างอาจจะเรียกว่าเป็นทั้งหมดก็ว่าได้ พัฒนาไปเป็นกุณธรรมต่างๆมันจะเห็นร่องรอยของกุศลธรรมอกุศลธรรมบนบาปในชัดผู้ปฏิบัตจะเห็นชัดมากบนเป็นยังไงบาปเป็นยังไงหรือว่าสมมุติเป็นยังไงปรมัตาย์เป็นยังไงในความหมายลึกซึ้งเป็นยังไง จงนังเป็นกฎกรอบระเบียบวินัยเป็นกติกาเป็นมารยาทเป็นคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมมันเป็นปรวัตถสภาวธรรมอย่างไรเห็นเป็นวัตถุเป็นอาการจงนังมันเป็นคําตอบภายในจิตใจของเราหายสงสัยแล้วก็หยุดการแสวงหาได้ ทำนิยมมั น, นขนไวายไปแล้วก็เป็นพบเป็นโพมิมกมากมายเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัตตาสงสารเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญสติแต่ละขนาดของจิตมันก็ปิดอบายโภมอยู่แล้วผู้ฝึกสติรู้สึกตัวเป็นมันปิดอบายโภมอยู่แล้วความทุกข์มันไม่เอาถึงจะเป็นปัญหามันก็ไม่ทุกข์ มันมีวันอยู่ในการฝึกสติเราจะมาฝึกมาหัดกันแบบตรงไปตรงมาชัดเจนจะมาทําอะไรนะมันชัดเจนกตระเบียรกรอกสมมุติมันชัดเจนใครก็สมมุติผู้มีปัญญาสมมุติผูม้มีศีลมีธรรมสมมุติหรือว่าอาศีนผูม้มีศีลอธรรมผู้มีธรรมมันสมมุติ เป็นน้าของสุเรศสุเรศหรือว่าทุเรศน่ทุเรศทำอะไรแบบทุเรศน่อันนั้นเมืนสมมติมันไม่มีความชัดเจนสุเรศอันนี้สวยชัดเจนการศึกษาเรื่องกายเรื่องใจก็มีใจด้รู้จักกายรู้จักใจ รู้จักธรรมชาติของไก่รองใจรู้จักสภาวะที่เราทุกข์เราคิดว่าทุกข์เกิดมาจากวัตถุอื่นสิ่งอื่นอุปธรรมที่จรงมันอยู่ที่ใจเราใจเรามันมีปัญญามีปัญญาวัตถุอื่นเราปฏิเสธไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถมีปัญญาหลบปลีกเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นได้ นักณของหนุ่มทีอยู่เหนือไปเลยอ ย, อ, เ อ, อยู่เหนือคไม่ต้องไปเจอกันอีกเลยแต่การอยู่ในโลกนี้มันเจอสุขเจอทุกข์สุขทุกข์มันมันในรูปแบบต่างๆเราตื่นยันหลับการเกี่ยวข้องกับวัตถุรูปธรรมกรรมวิบากต่างๆมันทำให้เราเกิดการกระทบสัมผัส ก็สามารถหายตัวได้หายตัวมีปัญญากดการปล่อยวางในสภาวะตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันมีแต่ว่าเราเกี่ยวกล้องได้ด้วยความรู้สึกตัว้วยสติด้วยปัญญามีสีมีตำมันก็อยู่เหนือบญเหนือบาปได้อย่างบุน มันก็ยังมีมลักษณะของบุญอย่างที่สมมติบัญญัติก็ทำกันอย่างเดียวปรวิธานบัญญัติมันก็มีบุญที่เหนือบุญอีกสุดยอดของบุญก็คือภาวนาใหม่รอจัดเจนทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นการทำบุญเอาทาบุญเอาเคยทำบุญให้เคยทำบุญหาแค่บุญหน่นก็รู้จักแล้ว ปกติไม่รู้จักอยากได้บุญไม่รู้ว่าบุญตัวเป็นยังไงกลัวบาปแต่ไม่รู้ว่าทําไมคนมันต้องทำเงินมากมายแล้วเราก็ต้องทำํำดีชื่อ ร, รู้หมดจนหมดไม่ได้ก็ว่าสติมันน้อยมันมีแต่มันน้อยไม่พอใช้เพระนั้นเรามาทำหมุนเอาการฝึกสตินะเอาเข้าตัว เคให้รู้ให้หลานให้กับสังคมให้กับชุมชนให้กับงานกระการให้กับหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ขอทำพูญเราเข้าออตัวหน่อยแล้วประโยชน์ตนกันเพื่อนไหวรู้สึกเพื่อนไหวรู้สึกถ้าทำเป็นนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกจะรูปแบบนอกรูปแบบจะอะไรมันก็เข้าใจแล้วแหละ เราทำอะไรมันก็ทำไปทิ่เป็นความดีเป็นงานเป็นคุณเป็นค่าต่างๆนี่ว่าสุขสวยรวยดีฉลาดแต่ว่าการที่จะฉลาดแบบน้ชั้นมันก็คือรู้สึกตัวจนเห็นความจริงฉ ล, ล, ลาดเรื่องกายฉลาดเรื่องจิตใจฉลาดเรื่องวัฒนธรรมธรรมฉลาดเรื่องของสติสีสมาธิปัญญาสมัมผญส ฉลาดเรื่องทุกเห็นทุกเห็นเองทุกก้าวลองโขชวันทุกอยู่ในทิศในทางเรียกว่อาอริยมรรคมีองค์แปดถึงเห็นเห็นถูกรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่เห็นอยู่รู้ว่าเป็นบาปเป็นโทษก็เห็นอยู่มันจะเป็นโทษได้ยังไงบางอย่างต้องเสี่ยงกาได้กาเสีย ที่จะได้ก้าที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติสมมุติกันไว้เป็นถูกเป็นผิดเ ป, นน เ, ปนนเป็นบุเป็นบาปเพราะนั้นจะมีการทําบุญเอาประโยชน์ตนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันมีอยู่แลวความเอือเฟื้อความเผื่อแผ่ แปนอ่อนยนนุ่มนวลเกิดความสะอาดสว่างสงบขึ้นหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนการทำบุญบุญหานี่ไม่ไม่เห็นให้พ่อให้แม่อุทิศให้อยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเป็นเปรตก็ เ, เชื่อกันว่าถ้าเป็นเปรตก็สามารถที่ อ, อุทิศให้ได้ พ่อแม่เนี่เป็นปราสตูปะจีวีแปดนะปราสตูปะจีวีแป็หมายถึงลกูกจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้ทำดีให้เห็นได้รับอย่าทำนะลูกพอไม่ทำเออชื่นใจทำอันนี้นะลูกทำแล้วแม่จะมีความสุขพระทําให้กระชื่นใจอันนี้ทำบุญให้กัน จะถ้าตายไปแล้วทําบุญหาหานี่ไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนทําบุญให้เนะี่ยยังเห็นกันอยู่แต่ให้คนอื่นให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้เอ็นดูเขาเอ็นเรากาดหลายคนยังพูดว่าทําดีได้ดีทดําดีได้ดีนะดีไปอยู่คนอื่น ทำแล้วเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงทใาให้ท้ายสุดอาคตันยูท้ายสุดเนลคุณทําดีไม่เห็นดีจริงๆมันเป็นการทําดีไม่ถึงดีมากกว่าทําดีไม่ถึงดีทําดีไม่ถูกควทําดีไม่ถูกกาละเทศสะ ทำดีกับคนที่เอาอาคติยังไงก็ไม่จมวมาดียังทํอยู่นั่นแะแต่ก็ต้องทําเพราะว่าทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําเมื่วลาผ่านไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นความเห็นนะมันเป็นความเห็นถ้าเป็นหนะาของการมีสติก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นตรง ฝึกผัดก็าจากการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่แหละมันเห็นถูกเห็นตรงว่าถูรู้ทำอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็สัมผัสได้ง่ายที่สุดยังรู้จักเคลื่อนไหวจากขณะรู้จักเพราะนั้นของที่มันเป็นนามนธรรมละเอียดการปรุงกันแต่งที่เรียกว่าปัญญาที่สังขารมันก็รู้จักการปรุงแต่งเป็นบุญจนเกิดอริยธรรมขึ้นมา เกิดว่าทําขึ้นมาเกิดหลายๆอย่างในสังคมที่ตกลงร่วมกันเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎระเบียบของการปกครองกฎหมายการปกครองวาชาธิวตัยพิจาณาทิไตัยวาชาธิปไตยจะแบบไหนแบบใครก็แล้วแต่อ่ที่ว่ามีผลประโยชน์กันยังไงตกลงกันยังไงมันก็ขัดแย้งทะเลาะเหตุผลกันอยู่ตรงนั้นแหละ เราก็รู้จักเพราะฉะนั้นบางทีการปฏิบัติธรรมมันเป็นการตอบอยู่ในตัวแต่ว่าเราจะต้องเรียกว่าทําให้ดีทําให้ถูกต้องทำให้ถูกต้อ ง, องแล้วก็ต่อเนื่องจะได้พึ่งได้แล้วก็บำริใช้ไม่อย่านั้นมันพึ่งได้แต่ไม่บำริใช้มันก็เข้าๆออกๆ ล, ล้มลกคุกคลน มันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีพลังตรงนี้ล่ะเราจึงมาอยู่ในที่ที่เป็นสปายะูย่ในที่ที่เป็นประเทศอันสมควรอากาศสบายที่นีอากาศสบา ย, อ า, าบายอาหารสบายลองเลือกอันถ้าอะไรสบายแมกโรไบโอติกพือตามฤดูกาล เพื่อกินได้ไม่เป็นยาเราก็สามารถจะเลือกได้ทำได้กรณีถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็คือขี้เกียจขัดบนคนเพื่อให้ใจเป็นบุญใจดีต้องการกำลังใจเราก็แสดงออกไม่ปฏิศเสธมันก็รู้จักในการใช้ชีวิต รู้เหตุรู้ผลรู้จักตัวเองรู้จักบุคคลคาราเทะสก็เรียกว่าไม่อากติกันทำดีก็ตอบสนองตามน้ำจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกฏแห่งกรรมเป็นนิบากรรมจะเปลี่ยนเป็นว่าเราแม่พระเจ้าก็ทำบุญให้นจุนทะ นําสุกรบรรดาวมาถวายแต่ว่าองค์ตาวธรรมชาติาจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่เป็นัตุรุษเป็นผู้สูตรเป็นผู้ที่ค้นพบวิจาออกจากทุกข์เป็นองค์菩าสดาทําไมถึงไม่รู้วไปกินอาหารของนจุนทะจึงรู้นะโอ้เป็นอาหารที่ ย, ย, ยาก ถึงสั่งให้สาวกเอาไปฝังแลทุกคนห้ามฉันพระองค์ฉันได้ผู้เดียวพ้อื่นห้ามอันนี้ก็หมายถึงว่ารู้จักบุญเห็นในจุจุ้าจิตใจเป็นวนนุนจนกำลังยกย่องอาหารวันนี้เป็นอาหารที่มีอันนี้ส่งเท่ากับอาหารของนางสุชาดาที่นาข้าวมาทุกปายาตมาถวาย ในวันเป็นเดือนหกคืนส5กลางยามสามเปรละกาในตอนกลางวันหลังจากนั้นก็บรรลุอนุตลาสัมมาสามัมปทาญานแสดงว่าที่เกิดขึ้นกับพระุทธองค์อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันก็คือเรื่องของสติสมาธิปัญญา รู้จักเรารู้จักเกา่ารู้จักบน ร, กบรู้จัก่าเมื่อจักอะไรคือการปรุงการแต่งผลญาที่สังขารอปผลญาที่สังขารเป็นบุญเป็นบาปการปรุงแต่งนีจะเป็นบนุญเป็นบาปนะความคิดทุกความคิดนี่เป็นบุญเป็นบาปถ้าเกิดจากความหลงมันติดแหละติดดีก็ทุกข์ได้ติดดีมันจะได้ทำดีทั้งน้ำตากัน ติดดีบ้าดีอวดดีท้ายสุอก็เป็นทุกทั้งหมเดเวียทดีก็จะข็ดหลามทอแท้แล้วท้ายสุดคือสับสนงงแต่พอเรามาทำบุญเอารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรจนะเห็นเออมันก็เป็นปกติเป็นความรูสึกที่ มันปราชจาก์การคิดแบบอาคาติลำเอียงแต่มันจะเป็นความคิดที่รู้จักบุญรักษาบุญเมื่อาาวานได้นั่งคุยกับหลวงพ่เขียนอยู่ประโยคหนึ่งว่ากรรมฐานผมเห็นความสำคัญของมัน กรรมฐานเนี่ราก็เห็นว่าจําเป็นที่จะต้องขนส่งคนที่มาไปทำกันให้ชัดเจนทําอะไรก็เป็นกรรมฐานจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินก็กรรมฐานนะครับถ่ายกรรมะกรรมฐา น, า น, า น, านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมฐานให้มีความชัดเจน เพราะากรรมฐานการฝึกสติเป็นเบื้องต้นเลยทำให้ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มันอยู่ตรงไหนก็รู้เท่้ารู้สันตัวเองได้เมื่อก่อนอยู่ตรงไหนมันก็มีรู้ๆูหลงหลงครึ่งรู้ครึ่งหลงแต่ว่าพอเราฝึกการเคลื่อนไหวเดินโยงกลมรู้รนาม รู้ทันความคิดเห็นความคิดแต่ว่าผู้ดูเกิดสติที่มันออกหน้าออกตานะมันสร้างประโยชน์ได้มากมายแล้วเกินและที่ันคันนี้สุดก็คือมันใช้ชีวิตยังเป็นกําไรชีวิตตรงนี้แหละจะทุ่มแรงกายแรงใจทาลงไปใครมาจะเชียร์ให้ฝึกความรู้สึกตัวแนวเคลื่อนไหว มันไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่เราเห็นประโยชน์จริงๆโอ้วันมีอย่างนี้ด้วยฝึกอะไรมันก็ฝึกได้หมดนะะทำให้รู้สึกตัวจริงๆจะเปนยุบหนอพองหนาะท้องพองยุบมันก็เข้าใจมันเข้าใจไม่ใช่มัวนิ่มแต่ว่าไอ้ความที่มันแสดงออกมารู้จริงๆนี่มันเกิดขึ้นในตัวแล้วมันก็มันจะไปบอกคนอื่นมันก็เป็นไปได้ยาก มันเกิดเมตตากันมามนเกิดการอยากช่วยเหลือขึ้นมาเพราะนั้นก็ถึงชวนคนจริงๆมาเออถ้ามาแล้วอย่าไปเสียเวลามันก็จึงมีกรอบระเบียบวินัยของชุมชนเย็นกล้่เนี่ยกรอบระเบียบเยอะมากศีล327ก้อเนี่ยสนับสนุน ส, ส่งเสริมให้ปฏิบัติเท่านั้นแลออหละท่อะไรไปนะลองสังเกต ด, ดูมันส่งข้อก็อยู่ในศีลในธรรมยังไง สิ่งองวายุยศก็มีไว้เพื่อให้เราปฏิบัติทัางนั้นเลยอาหารก็ไม่ต้องหวนกไายไม่ต้องหามาสิ่งของพระเคยเห็นวัดที่อยู่รอบๆ อ, อยู่ในเมืองส่วนใหญ่ก็ให้เข้าคกนบาดดญาติโยมวัดป่าโซโตรเราอยู่ในดินแดนที่มันกันดานยอดเขา อาหารมันหายากมันก็นมีพืชกินได้ไม้เป็นยามีหน่อไม้เปผักปลูก เ, เองบ้างอะไรบ้างยาโจมมาปลูกมันก็จะมีพอที่จะเพึ่งตัวเองได้บ้างแต่จะเป็นข้างล่างนี่กินข้าวคนบาดอย่างเดียวเลยยาดโยมที่นี่ก็เคยยกคหนึ่งสมัยหนึ่งเคย ให้คุณแม่ชีที่อยู่ในครัวทั้งหมดปฏิบัติธรรมแล้วก็พระธรมอาหารให้ฉันอัตมานและวแต่ให้ญาติโยมมาตั้งใจไปบวชเถอะความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ึกตัวพอเราไปบวชสักระยะหนึ่งมันจะเกิดบนจริงๆแล้วก็มันจะทําอะไรมลงก็แม่นยํามันมันเอาตัวรอดได้มันตอบได้ชัดว่าทำทำไมมันจะมีหลักการและเหตุผลมีวิธีคิดมันอยู่วิธีทำก็มันอยู่ อยาให้ได้สัมผัสกันอันนี้ก็คือเปลดเหมือนกั น, นเรือกว่าพระลัตุปาจีเปลดคือพระกับแม่ะจะเป็นมหานรลกนะขุมใหญ่มากก็เลยเข้าใจว่าสามดีพรมาราลัทนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาฯเจ้าบอกเออธรรมะที่เรารู้แล้วนั้ น, นะละเอียดปัญ น, นีลึกซึ้ง รู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่ว่าพวกมีวิสัยบนะัณดิตรู้ได้ปัณณะพงศ์เลยตัดสินใจหนะลังจากได้ทบทวนปฏิจจสมบานะิได้ทบทวนหลักธรรมจนเห็นว่ามีคนรู้ได้ก็จึงนึกถึงปัญจะวะคัคคีย์ก็เจอว่าตอนนี้กำลังแล้วนะกลังลว หลังจากที่ปัญญาครีนหนีหลังจากเห็นการสงสนานช่วงนี้กำลังแล้วนะลมลุกคุกการเรื่องนี้ได้มีกี่วันก็บรรลุอนุตราสัมมาสัมุทธญาณวิสาขะเลิกซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องทบทวนเป็นอาติตามลมระลึกนึกถึง บุญคุณนะที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณมีเมตตาที่คุณมีบริสุทธิคุณบอกนะให้อัญญากวรอัญญาบรรลุธรรมแต่ก่อนที่จะไปบอกนะท่านรู้แล้ววันวิสาขาบูชาเดี๋ยวใกล้จะมาถึงแล้วนะเพราะนั้นเราก็เชื่อว่าองค์สมเด็จธรรมจ้านะ่ะมีจริงนะอุ บ, บัติขึ้นมาจริงๆ หงปูเตียนก็มีจริงๆหลวงพ่ออเกียนก็ยังมีตัวอยู่จริงๆคร น, นี้ไอ้สิ่งที่จะทำให้เกิดการกข้า อ, อกกระใจในสภาวะธรรมระดับต่างๆก็มีอยู่จริงๆแต่ว่าเรื่องของมหาวัตถฐานสูตรนเป็นร่องรอยเป็นทางเดินเป็นอายมักมีองค์แปดตังแต่สัมมาทิฏฐิ จนทั้งท้ายสุดเป็นสัมมาสมาธิมันก็เป็นทางเดินมันอยู่ในความรู้สึกตัวแต่ละขณะที่เราเคลื่อนไหวก็<ม>ทางสายกลางขึ้นมามัชิมาปฏิปทเ า, ทา<ม>เราได้สัมผัสเป็นกระแสความเป็นปกติก<ม>ารที่จิตใจของเราเอียงซ้าเอียงขวางก็ปรับมาสู่ 0.00 มันเป็นความว่างว่างจากความหมายของความเป็นตัวตนก็คือว่างจากความคิดนั่นแหละหลังจากที่มันคิดมันยึดมันถือมันรู้เท่ารู้ทันมก็ปล่อยมันก็ว่างมันคิดมันไม่ได้สนใจให้ก้าแล้วกลับมาสัมผัสรู้ที่กายมันก็หลุดทันทีมันออกจากความคิดเดี๋ยวนี้เลยขณะนี้เลยเราก็ฝึกหัดกัน บางทีมันก็มีปัญหาเก่าๆมีความรู้สึกเก่าๆจะหลิกนิสัยมันก็จะไหลทบทวนให้เราเราก็ทวนออกมาสู่ปัจจุบันกันนะเป็นปกติรู้เนื้อรู้ตัวทุกครั้งที่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นปกติตรงนี้เราเป็นบุญ ทำให้เกิดกิรุศสนึ้นมาเป็นความยลลาดเห็นร่องรอยของอารมณ์เกิดดับจอรอนไปจอรอนมาเห็นกฎของพระไตรลักษณ์เห็นการแสดงออกภายในตัวเราความทุกข์ที่มันเกิดจากอาการเหตุปัจจัยต่างๆเราก็มีภาวะผู้ดูตรงนี้เราเทวธรรมถึงก็ถึงธรรมเจริญสติกับสติเจริญมันจเจริญนว่าเกิดความว่องไว เห็นรูปทำนามทำเห็นกันท่าเห็นความคิดเห็นตัวรู้เห็นตัวหลงเห็นวิชาอวิชาเห็นวิชาเห็นความรู้รู้แลอรู้ถูกก็สัมมาทิฏฐิมันก็เดินทางเป็นกุฏาม่างต่า ง, งๆที่เป็นส่วนประกอบชางทั้งเหมือนกัน เป็นธรรมะเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่อยู่ที่กายที่ใจของเราเราก็จึงมาทำบุญกันใช้สถานที่สปายะทำบุญต่อยอดชีวิตให้มันเนือเกิดเนือแก่เนือเจ็บเหนือตายเนือทุกจนเกิดสันที่สุขสันที่ป้ากับตัวเองกับผู้อื่นํากําลังของ คุณธรรมที่เราสามารถยิบจับถือมาใช่ได้ตามหน้าที่ต่างๆใช้แล้วไม่ติดใช้เพราะว่าชีวิตมีกายมีใจต้องอาประโยชน์จากมันประโยชน์จากกายจากใจอล้ประโยชน์จากสรรสัตว์สรสรสรร 4, 5, 6, 7, ิ่งประจัย4 5 6ห้าเจนัง เราก็คืนสู่สมดุลมันมีเอาเข้าแล้วเอาออกเอาความดีจากข้างนอกมาใส่ข้างในแล้วเอาจากข้างในไหลคืนสู่ข้างนอกก็เรียกว่าอายะสมัตาเป็นการช่วยเหลือเพื่ อ, เ, อเป็นการประกอบกรรมจนั้งเป็นธรรมชาติ จึงกระังเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์อันนี้มันจะไม่เป็นอันนี้สรงยิบากอะไรมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจบเป็นจบจบอยู่ในใจของเราจบโดยการกระทำแล้วไม่ได้หวังผล ทำเพราะมีเรื่องต้องทาทำเพราเวลานี้มันต้องทำทำแล้วก็แล้วไปทำโดยที่เหมือนกันไม่มีตัวตัวตนที่จะทำมันก็สนุกดีนะมันมีความสนุกจะนั่งจะเดินจะนอนจะไปไหนมาไหนมันรู้สึกอิสระอิสระอย่างจะเล่าอะไรฟังมาสองวันก่อนลงแท็บ ก็มีความเป็นอิสระเหมือนกันมีความรู้สึกนะ ม, มันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ตรงไหนของประเทศไทยขึ้นรถไปปรากฏว่ารถตัวที่ขึ้นมันก็ไม่มีคนนอกนะมันก็ขับเร็วมากเลยแล้วเนีเร็วธรรมดามันสายสายดก็กแดกด็กดกด ก, ด ก, ก็เลยเดินไปไปที่ คนขับก็เดิรถนะนะเดินไปแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวถึงที่ตรวจรถข้างหน้าให้จอดนิดหนึ่งครนี้ปรากฏว่ามันก็มีด่านตรวจอยู่เขาก็ตรวจรถกันแต่ก็ไม่ได้ตรวจคนขับนะ แล้วรถก็วิ่งไปแล้วก็ยังใส่อีกนะใสคนขับเมาคราวนี้มันไปจอดอยู่ที่หนึ่งอันมันก็เลยลงรถเลยลงรถให้ดีลงก็เห็นความไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นมามันไม่ใช่กลัวนะแต่มันเห็นว่าโอไปกับคนคนนี้นะ่ยรถคันนี้เนะี่ยอันตรายแล้วก็ลง เสร็จแล้วมันมันก็เมื่อคื น, นก็เลยบอกสิบล้อไปจะขัางเทวบกสิบล้อพอขึ้นสิบล้อปับ๊บสิบล้อก็บอกว่าโอ้อาจารย์โชคดีจังเลยวันนี้ผมขับรถสิบล้อวันแรก อาจารย์ขึ้นมาโอ้โดีสิบล้อ่าเก่านิดหนึ่งอาจารย์รอยยี่สิบแรงแล้วอสิบล้อรุ่นนี้มันรุ่นเก่าแล้วก็ทุกของมากี่ตันก็บอกว่ายี่สิบแปดตันครับทุกแป้งมันมาโอ้รถหนักนะรถเก่าทุกขนาดนี้นี่หนักมากไม่เป็นไรอาจารย์ เอออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครนี้มันมีโคง้งมันมีนเนอนแล้วก็สังเกตดูเวลาขึ้นเนินมันก็ขึ้นเนินแบบสั่นไปทั้งคันต้องใช้เกียรน์หนึ่งตลอดแล้วมันมีเนินปราบเซียนแถวปากช่องมันจมีนินปราบเซียนก่อนถึงฟา ร, ร์มโชคชัย ตามันสั่นเด็กๆๆๆแล้วก็หยุดถึตงตรงนี้ถ้าเป็นโยมจะทำไงอาตมาก็ดูแล้วเหนืโจเฟอร์กันเป็นยังไงส่วนมือก็เตรียมเปิดประตูโดดลงถึงพ้ะก็ไม่คลังหรอกไปกับรถอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องโดดโยมเขาก็หวังพึ่งเร า, เาก็มองเราไอ้เราก็มองเขาหวังพึ่งเขาอะต่างคนต่างดูกันนะโยม ถ้ารถาถอยพักกระโดดเน่ยโยมไปคนเดียวเถอะหรือโยมโยมจะไปด้วยอะอาตมาโดดแน่ปราก่แล้วมก็ถอยแล้วมันก็สุดหวบลงไปว่าไหลาทางมันคนละระดับกันุดหววหน่วยแต่ก็ไม่ถึงกับวา้าไม่ถึงกับตะแคง อก็เห็นแล้วอืมเราเห็นใจตัวเองปกติอยู่แต่ว่ามันมีปัญญาที่ยาวตัวรอดเห็นแล้วมันก็มีรถอีกคันก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของรถสิบร้อยกันก็ลงมาดูเพื่อนของเรามาดูเพื่อนรวมอาชีพเสร็จแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยโทราสัก บอกจัางที่อยู่ในแวกนี้มาดูให้แล้วก็ให้โทรศัพท์ไปบอกกาเท่าแกว่ารถเสียอยู่จุดไหนจุดไหนเท่าแกจะได้ไม่ห่วงเพราะว่าลับรถวันแรกเราจอแล้วก็นั่งรถไปกันอืมเาไปไหนไปกันอิสระภาพไอ้ที่ว่าอิสระใจลรู้สึกอิสระอย่างเง้มันก็ไม่ได้ มีความรู้สึกเออใจเรามันบั่นไหวผิดปกติแต่ว่ามันมีปัญญาพอที่จะเอาตัวรอดแก้ไขถ้าเดินทางก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางเป็นเราโชคดีแล้วนะที่มีอกสมเด็จสมมาเจ้าชี้ทางแล้วก็บอกให้เราขึ้นรถคันไหนด้วยก็คือยาน วิปัสนาญาณเกิดจากความรู้สึกตัวการฝึสติซึ่งหลวงปู่ชี้ไวชัดนะการเห็นกายการเห็นวนิญาณเห็นจิตเห็นธรรมยิ่งหลวงปู่เทียนชี้ชัดจริงๆนุ่มบังเขียนนี่บอกตรงๆให้เราเคลื่อนไหวรู้สึกบอกตรงๆแต่ว่าถ้าธรรมโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ทำแล้วก็ยังโง่อยู่นะป่วยไงไม่รู้คือโง่ การยกมือจะเป็นนานะยกไปเป็นแฟชั่นยกทั้งวันแต่ไม่รู้ว่ายกทำไมอันนี้ให้ประเมินตัวเองว่าหนึ่งปีสองปีสาปีสี่ปีห้าปีหกปีหรือจะกี่ปีก็ตามถ้ายังไม่หายสงสัยในเรื่องของวิปาษสนาแสดงว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นไม่ถูกเะก็จึงมีความเห็น จ, จัดว่าออกรรมฐาน น, ะน่าสนใจ เดี๋ยวทต้องรู้จักรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติให้ชัดแล้วหลังจากที่ฝึกหัดปฏิบัติต้องชัดเจนในเรื่องของเทคนิคปฏิบัติแล้วการแก้อารมณ์ปฏิบัติผ่านอารมณ์เพราะฉะนั้นการฝึกหัดก็เป็นการเห็นอารมณ์ผ่านอารมณ์วิธีผ่านก็คือการกลับมารู้สึกตัวให้ถูก ความเป็นปกติต้องเห็นว บ, บ, บ, บเป็นแบบต้องรู้จัก <c oughs> จนทั้งมันเคลื่อนไหวเป็นสมดุลต่อนเนื่องเชื่อมโยงนานๆนานๆนนนนมันหนึงจะชัดเลยก็ทีฐานจะเด่นเวลาเกิดความคิดกระดิกมันจะรู้จักอารมณ์ละเอียดละเอียมจะรู้จักมันจึงมีอารมณ์ปฏิบัติที่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อเกียรติได้พูดไว้มันต้องอาศัยการฟังมากๆ บวกการทำมากๆฟังนะฟังให้เกิดกำลังใจเกิดศรัทธาเห็นทิศทางว่าข้างหน้านจุดหมายไปทางข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราก็จะเดินทางได้ อ, อย่างตรงไปตรงมาว่องไวมีความคล่องตัวก็เรียกว่ามีบรรยากาศของกายามิตรแล้วก็เลยมาใช้บรรยากาศของกายามิตรนะศัยบุคคลสานบุคคล เพื่อเข้าถึงกายยานธรรมในตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเมตตาก็านะาอ้าชั่วกวัาบาปมีความอดทนอดกลั้นมีกุณธรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้มนมาให้เราได้เห็นเรียกว่าภาวะผู้ดูเห็นธรรมมาที่มันเกิดตับ ตามเหตุปัจจัยแเพราะร่องรอยของความคิดที่เราจะเห็นมันเป็นความบริสุทธิ์เหมือนกันก็เะียว่าเห็นขันห้าที่บริสุทธิ์ตรงนี้ต้องทำให้ขันไในจิตใจของเราเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันมันชัดเจนมันแน่นหนามันรองรับจะต้องปรากฏการต่างๆ ปฏิกิริยาอาการต่างๆมันเป็นความรู้สึกทีละละเอียดสามารถที่จะสมัมผัสได้เพราะนั้นใกล้วันวิสาขบูชาแล้วก็เร่งความเปลียนกันดีกว่าสหรับผู้ที่ตั้งใจปิบัติในการสำรวมระวังตาไม่ดููไม่ฟังไม่พูดไม่คุยแล้วก็ไม่พยายามส่งจิตออก เรียกวมีมีกราะนะมีลักษณะของกันกันเขื่อนเอาไว้กันเขื่อ น, น, ะะนเอาไวะ้แล้วก็วิทย์ออกความคิดที่มันเกิดมาเป็นร่องรอยอาการต่างๆวิทย์ออกอย่างเดียวเลยคิดปรับรูปปรับคิดปรับรูปรูปรูปตัดตัดรูแล้วไม่ต่อ ไม่ต้องกข้าไปร่วมปรุงกับมันออกมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวมันจะหายสงสัยทันทีตัวรั้งที่ออกมาขณะที่มีสติแล้ะเลิกรู้ตรงนั้นมันรูท้ทันทีลองลอยเล็กๆวันนี้นี่เป็นลองลอยที่กลายเป็นมหาสติปัฏฐานสุดพื้นที่ในจิตก็จะมีแต่ความเป็นปกติเราได้เห็นขณะของความคิดทิมพุเกิดขึ้นมา หรือว่าปฏิยาของธรรมชาติต่างๆที่มันแสดงออกเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมในจิตใจของเราเกิดดับในการเกิดดับเล็กๆเกิดขึ้นม า, าแล้วก็พูดไปพูดไปก็สีินาทีนะก็สรุปว่าการทำก็คือการทาบุญนะการฝึกสติเป็นการทาบุญเอาเข้าตัว เราเคยทำบุญหาทําบุญให้กับผู้อื่นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตอนนี้เรามาทำบุญเอาเพื่อที่จะได้ได้คําตอบของชีวิตต่อไปมันจะเกิดมากี่พวกพี่ชาติก็ขอให้ชาตินี้นะี่าได้เดินทางใกล้พระนิพพานที่สุดจะทำให้เกิดหยุดการแสหงหาจริงๆก็ขอให้การเดินทางของทุกๆชีวิตที่มาร่วมกันบตบพระเจ้าในวันนี้ เราเข้าสู่สภาวะของความเป็นโปริสสควรแก่การวัดโดยท่าน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเติน